ท่านผู้เป็นศรัทธานุสารีเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้สัมผัสสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูเพราะล่วงรูปฌานได้ด้วยกายอยู่แต่อสะวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาอันหนึ่งผู้นั้นมีแต่เพียงความเชื่อความรักในตถาคตอีกประการหนึ่งทำเหล่านี้คือสตินีวิริยินีสติ น, สนีสมาธินี ปัยินสี่ย่อมมีแก่ผู้นั้นบุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นศัทธานุสารีเรากล่าวว่าภิกษุแม้นี้ต้องทากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของภิกษุนี้เช่นนี้ว่าจะเป็นการดีถ้าท่านผู้นี้เมื่อใช้สอยเสนาสนะที่สมควรครบหากัลยาณมิตรปรับอินทรีย์ให้เสมอ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 การดำรงอยู่ในอรหัตผลภิกษุทั Thirty ้งหลายเราไม่กล่าวการบรรลุอรหัตผลด้วยขั้นเดียวเท่านั้นแต่การบรรลุอรหัตผลย่อมมีได้ด้วยการบำเพ็ญศิกขาโดยลําดับด้วยการบำเพ็ญกิริยาโดยลําดับด้วยการบำเพ็ญปฏิปทาโดยลําดับการบรรลุอรหัตผลย่อมมีได้ด้วยการบำเพ็ญศิกขาโดยลําดับด้วยการบำเพ็ญกิริยาโดยลําดับ ด้วยการบำเพ็ญปฏิปทาโดยลำดับเป็นอย่างไรคือครูบุตรในศาสนานี้เกิดศรัทธาแล้วย่อมเข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาย่อมนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ย่อมเงี่ยโสดลงสดับงเงี่ยโสดลงสดับแล้วย่อมฟังธรรมครั้นฟังธรรมแล้วย่อมทรงจำไว้ย่อมพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้แล้วเมื่อพิจารณาเนื้อความอยู่ธรรมทั้งหลายย่อมโคนเพ่งพินิษ เมื่อมีการเพ่งพินิษธรรมอยู่ชันทะย่อมเกิดกุณบุตรนั้นเกิดชันทะแล้วย่อมอุตสาหะครั้นอุตสาหะแล้วย่อมตรายตรองครั้นตร่ตรองแล้วย่อมอุทิศกายและใจเมื่ออุทิศกายและใจแล้วย่อมทำให้แจ้งสัจจะอันยอดเยี่ยมด้วยนามกายและเห็นแจ่มแจ้งสัจจะอันยอดเยี่ยมนั้นด้วยปัญญาพิสุทั้งหลายถ้าศรัทธาไม่มี การเข้าไปหาการนั่งใกล้การเงี่ยโสดลงสดับการฟังธรรมการทรงจาธรรมการพิจารณาเนื้อความความเพ่งพินิษธรรมฉันทะอุสาหะการไตร่ตรองและการอุทิศกายและใจข้อไม่มีเธอทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติพลาดเป็นผู้ปฏิบัติผิดโมฆะบุรุษเหล่านี้ได้ก้าวออกไปจากธรรมวินัยนี้ไกลเท่าไร ภิกษุทั้งหลายคำอธิบายสัจจะสี่ประการมีอยู่เมื่อยกคําอธิบายดังกล่าวขึ้นมาแสดงวินยูชนพึงเข้าใจเนื้อความได้ด้วยปัญญาในไม่ช้าเราจะแสดงแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจถึงเนื้อความได้ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นคนเช่นไรและผู้เข้าใจถึงธรรมได้เป็นคนเช่นไร พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายศาสดาใดเป็นผู้หนักในอา m i ต h รับแต่อา m i ต h อยู่คล้องอยู่ด้วยอา m i ต h แม้ศาสดานั้นก็ยังไม่ต่อรองเลยว่าเมื่อสิ่งเช่นนี้พึงมีแก่เราเราพึงทําสิ่งนั้นเมื่อสิ่งเช่นนี้ไม่พึงมีแก่เราเราก็ไม่พึงทําสิ่งนั้นตถาคตไม่คล้องอยู่ด้วยอา m i ต h โดยประการทั้งปวงจะสมควรกับการต่อรองหรือ สาวกผู term, ้มีศรัทธาผู้ทำตามคำสั่งสอนของศาสดาย่อมมีหลักปฏิบัติว่าพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาเราเป็นสาวกพระผู้มีพระภาคทรงรู้เราไม่รู้คำสอนของศาสดาย่อมงอกงามมีโอชาแก่สาวกผู้มีศรัทธาผู้ทำตามคำสั่งสอนของศาสดาสาวกผู้มีศรัทธาผู้ทำตามคำสั่งสอนของศาสดาย่อมมีหลักปฏิบัติว่า หนังเอ็นและกระดูกจงเหือดแห้งไปเถิดเนื้อและเลือดในสริระของเราจงเหือดแห้งไปข้ตามทีเมื่อเรายังไม่บรรลุผลที่พึงบรรลุด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วจักไม่หยุดความเพียร น, นั้นภิกษุทั้งหลายสาวกผู้มีศรัทธาผู้ทาตามคาสั่งสอนของาศาสดา จะพึงวางได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคือ 1. อรหัตผลในปัจจุบัน 2. เมื่อมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีพระผู้มีพระภาคได้ตรัพภาสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลกีตาคิริสูตรที่10จบ ภิกุวักที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. จุลรารหุโลวาทสูตร 2. มหาราหุโลวาทสูตร 3. จุลมาลุงกยะสูตร 4. มหามาลุงกระยะสูตร 5. พัทธาลิสูตร 6. ละตุขิโครประมะสูตร 7. จ้าตุมะสูตร 8. นลกะปานะสูตร 9. โคลิสานิสูตร 10. คกีตาคิริสูตร 3. ปริพาชะกะวักหมวดว่าด้วยปริภาชกหนึ่งจูลวัชโคตสูตรว่าด้วยปริภาชกชื่อวัชโคตสูตรเล็กเ้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปูตาค า, ารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นแหลปริภาชกชื่วัชโคต อาศัยอยู่ในอารามของปริพาชคชื่อเอกบุนทริกครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาตยังกรุงเวสาลีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้มีพระดำริว่ายังเช้าเกินไปที่จะเที่ยวบินทบาตในกรุงเวสาลีทางที่ดีเราควรเข้าไปหาวัาจโคตรปริพาชก จนถึงอารามของปริพาชกชื่อเอกบุนทริกลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหาวาจโโคตรปริพาชกถึงอารามของปริพาชคชื่อเอกบุญทริกวจโโคตรปริพาชกได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลเล่ากราบทูลว่าท่านผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงเสด็จเข้ามาเถิดขอต้อนรับเสด็จ นานๆพระผู้มีพระภาคจะมีเวลาเสด็จมาถึงที่นี่ขอเชิญพระผู้มีพระภาคประทับนั่งเถิดอาสนะนี้ปูลาดไว้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ประทับนั่งบนพุทธาถที่ปูลาดไว้แล้วแม้ว่าจะโคตรปริภาชกก็เลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าแล้วได้กราบทูลว่าท่านผู้เจริญเขาไเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่า พระสมณโคโดมเป็นสัพพัญยูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงทรงปฏิญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จว่าเมื่อเราเดินอยู่หยุดอยู่หลับอยู่และตื่นอยู่ญาณทัศนะจะปรากฏต่อเนื่องตลอดไปท่านผู้เจริญชนที่กล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคโดมเป็นสัพพัญยูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงทรงปฏิญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จว่า เมื่อเราเดินอยู่หยุดอยู่หลับอยู่และตื่นอยู่ญาณทัศนะจะปรากฏต่อเนื่องตลอดไปเป็นผู้กล่าวตามพระดํารัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วไม่ชื่อว่ากล่าวตูพระผู้มีพระภาคด้วยคําอันไม่จริงและชื่อว่ากล่าวแก่อย่างสมเหตุสมผลละหรืออันหนึ่งไม่มีบ้างหรือที่คำกล่าวเช่นนั้นและคาที่กล่าวต่อๆกันมา จะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัชชะชนที่กล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคโดมเป็นสัพพันยูมีปกติเห็นธรรมท่องปวงทรงปฏิญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จว่าเมื่อเราเดินอยู่หยุดอยู่หลับอยู่และตื่นอยู่ญาณทัศนะจะปรากฏต่อเนื่องตลอดไป ยังกล่าวไม่ตรงกับคำที่เรากล่าวแล้วและชื่อว่ากล่าวตูเราด้วยคำที่ไม่เป็นจริงไม่มีจริงวิชาสาวัชโคดปริภาชกทูลถามว่าท่านผู้เจริญ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 บุคคลผู้อธิบายว่าพระสมณะโคโดมเป็นผู้มีวิชาสามชื่อว่าเป็นผู้พูดตรงตามที่เรากล่าวไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตูเราด้วยคำเท็จชื่อว่ากล่าวแค่อย่างสมเหตุสมผลอันหนึ่งไม่มีเลยที่คํากล่าวเช่นนั้นและคาที่กล่าวต่อต่อกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตาหนิได้เมื่อไรก็ตามที่เราต้องการจะรู้ เราย่อมระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างละถึงเราระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เราเพียงต้องการจะรู้เท่านั้นเราก็เห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่าและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ละถึง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 กล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลอันหนึ่งไม่มีเลยที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ลทัทธิเดรถีว่างจากคุณความดี เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ววัชโคดปริภาชกได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมครหัสบางคนผู้ยังละสังโยชน์ของครหัสไม่ได้หลังจากตายแล้วทำที่สุดแห่งทุกได้มีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัชชะขเหัดที่ยังละสังโยชน์ของครหัสไม่ได้ หลังจากตายแล้วย่อมทําที่สุดแห่งทุกได้ไม่มีเลยครหัตบางคนยังละสังโยชของครหัตไม่ได้หลังจากตายแล้วไปเกิดในสวรรค์มีอยู่หรือท่านพระโคโดมคราหัตผู้ยังละสังโยชของครหัตไม่ได้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสวรรค์นั้นมิใช่มีเพียงร้อยคน200คน300้อยคน400รอยคนหรือห้า้อยคนเท่านั้น ความจริงแล้วมีอยู่จํานวนมากทีเดียวอาชีวกบางคนหลังจากตายแล้วจะทําที่สุดแห่งทุกได้มีอยู่หรือท่านพระโคดมอาชีวกบางคนหลังจากตายแล้วจะทําที่สุดแห่งทุกได้ไม่มีเลยอาชีวกบางคนหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสวรรค์มีอยู่หรือท่านพระโคดมจากพัทรกะกับนี้ไป91กับที่เราระลึกได้ เราไม่รู้จักอาชีว ค, คนอื่นผู้ไปเกิดในสวรรค์นอกจากอาชีวเพียงคนเดียวผู้เป็นกรรมวาทีเป็นกิริยวาทีท่านพระโคโดมเมื่อเป็นอย่างนี้ลทัทธิติรถีก็เป็นลัทธิที่ว่างเปล่าจากคุณความดีโดยที่สุดแม้แต่คุณความดีที่จะให้ไปเกิดในสวรรค์อย่างนั้นวัชชะเมื่อเป็นอย่างนี้ ลัทธิเดรถีนั้นเป็นลัทธิที่ว่างเปล่าจากคุณความดีโดยที่สุดแม้แต่คุณความดีที่จะให้ไปเกิดในสวรรค์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษินี้แล้ววัจะโคตรปริภาชกมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจูละวัจะโคตสูตรที่หนึ่งจบ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 นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกมีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าโลกมีที่สุด นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงท่านพระโคดมทรงมิทิฏิอย่างนี้ว่าโลกไม่มีที่ส un ุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือเราไม่มิทิฏิอย่างนั้นว่าโลกไม่มีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงท่านพระโคดมทรงมิทิฏิอย่างนี้ว่าชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือ เราไม่มี like ทิฏฐิอย่างนั้นว่าชีวะกับสิรีระเป็นอย่างเด single, ียวกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าชีวะกับสิรีระเป็นคนละอย่างกันนี้เท่าน yep ั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าชีวะกับสิรีระเป็นคนละอย่างกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่า หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีก นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงท่านพระโคดมทรงมิทิฏิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือเราไม่มิทิฏิอย่างนั้นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงข้าแต่ท่านพระโคดมท่านพระโคดมทรงมิท well, ิฏิอย่างนี้ว่า หลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือวัชฌะเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง พระโคตรปริพาชคทูลถามว่าเมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมท่านพระโคโดมทรงมิทิฏิอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือพระองค์ก็ตรัสตอบว่าวัชชะเราไม่มทิทิฏิอย่างนั้นว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าท่านพระโคโดมทรงมิทิฏิอย่างนี้ว่า โลกไม่เทีย cko, ่ยงนี้เท um <étaient> ่าน <innocent> ั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือพระองค์ก็ตรัสตอบว่าเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกมีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือพระองค์ก็ตรัสตอบว่าเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าโลกมีที่สุด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 ชีวะกับสิรีระเป็นอย่างเดียวกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือพระองค์ก็ตรัสตอบว่าเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าชีวะกับสิรีระเป็นอย่างเดียวกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าชีวะกับสิรีระเป็นคนละอย่างกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือ พระองค์ก็ตรัสตอบว่าเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือพระองค์ก็ตรัสตอบว่าเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่า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 ท่นพระโคดมทรงเห็นโทษอะไรหรือจึงไม่ทรงยอมรับทิฏฐิเหล่านี้โดยประการทั้งปวงเช่นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าว่าฉะทิฏฐิว่าโลกเที่ยงนั้นเป็นรกชัดเคยทิฏฐิเป็นกันดารเคยทิฏฐิเป็นเสียนน้ำเคยทิฏฐิเป็นความดิ้นรนเคยทิฏฐิเป็นสังโยชนเคยทิฏฐิก่อให้เกิดความทุกข์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 หลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะ ว, ว่าเกิดอีกก็ม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ม่ใช่นั้นเป็นโรคชัดคือทิฏฐิเป็นกันดานคือทิฏฐิเป็นเสียนน้ําคือทิฏฐิเป็นความดิ้นรนคือทิฏฐิเป็นสังโยชน์คือทิฏฐิโกให้เกิดความทุกข์ความลําบากความขับแค้น และความเร่าร้อนไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อนายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานวัชชะเราเห็นโทษนี้จึงไม่ยอมรับทิฏฐิเหล่านั้นโดยประการทั้งปวงอย่างนี้ท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิบางอย่างหรือไม่วัชชะคำว่าทิฏฐินั้นตถาคตกำจัดได้แล้ว ตถาคตเห็นแล้วว่ารูปเป็นดังนี้ความเกิดแห่งรูปเป็นดังนี้ความดับแห่งรูปเป็นดังนี้เวทนาเป็นดังนี้ความเกิดแห่งเวทนาเป็นดังนี้ความดับแห่งเวทนาเป็นดังนี้สัญญาเป็นดังนี้ความเกิดแห่งสัญญาเป็นดังนี้ความดับแห่งสัญญาเป็นดังนี้สังขารเป็นดังนี้ความเกิดแห่งสังขารเป็นดังนี้ ความดับแห่งสังขารเป็นดังนี้วิญญาณเป็นดังนี้ความเกิดแห่งวิญญาณเป็นดังนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นดังนี้เพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าตถาคตหลุดพ้นแล้วด้วยความไม่ถือมั่นเพราะความสิ้นไปเพราะความคลายไปเพราะความดับเพราะความสละเพราะความสละคืนเพราะความไม่ถือมั่น อาหางการมามังการและมานานุสัยทั้งปวงที่เข้าใจแล้วย่ำยีได้แล้วทั้งหมดปัญหาเรื่องความหลุดพ้นวัชโคดปริภาชกทูลถามว่าข้าแต่ท่านพระโคดม ภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้จะเกิดณที่ไหนพระผู้มีพระภาคกระตอบว่าวัชชะคำ ว, ว่าเกิดนำมาใช้ไม่ได้ถ้าเช่นนั้นภิกษุนั้นจะไม่เกิดหรือท่านพระโคดมคำ ว, ว่าไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้ถ้าเช่นนั้นภิกษุนั้นเกิดและไม่เกิดหรือท่านพระโคดมคำ ว, ว่าเกิดและไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้ ถ้าเช่นนั้นภิกษุนั้นจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่หรือท่านพระโคโดมคำว่าจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช้นำมาใช้ไม่ได้เมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้จะเกิดณที่ไหนพระองค์ก็ตรัสตอบว่าคำว่าเกิดนำมาใช้ไม่ได้ เมื่อฆ่าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าถ้าเช่นนั้นภิกษุนั้นจะไม่เกิดหรือท่านพระโคดมพระองค์ก็ตรัสตอบว่าคำว่าไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้เมื่อฆ่าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าถ้าเช่นนั้นภิกษุนั้นเกิดและไม่เกิดหรือท่านพระโคดมพระองค์ก็ตรัสตอบว่าคำว่าเกิดและไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้ เม s s question, er <with> ื said, accepted, <mit> ่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าถ้าเช่นนั้นภิกษุนั้นจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่หรือท่านพระโคดมพระองค์ก็ตรัสตอบว่าคําว่าจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่นํามาใช้ไม่ได้ข้าแต่ท่านพระโคดมในข้อนี้ข้าพระองค์ไม่รู้แล้วในข้อนี้ข้าพระองค์หลงไปแล้ว ความเลื่อมใสซึ่งมีอยู่บ้างจากการสนทนาปราัยกับท่านพระโคโดมในตอนแรกบัดนี้ได้หมดสิ้นไปแล้ววัชชะควรแล้วที่ท่านจะไม่รู้ควรแล้วที่ท่านจะหลงเพราะว่าธรรมนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบปราณีตไม่ใช่ธรรมที่จะยังถึงได้ด้วยความตรึกละเอียดเฉพาะบัณฑิตจึงจะรู้ได้ธรรมนั้น ้มีความเห็นเป็นอย่างอื่นมีความพอใจเป็นอย่างอื่นมีความชอบใจเป็นอย่างอื่นมีความเพียรในทางอื่นอยู่ในสำนักของอาจารย์อื่นรู้ได้ยากวัชชะเอาเถิดเราจะย้อนถามท่านในข้อนี้ท่านเห็นควรอย่างไรก็พึงตอบอย่างนั้นท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรถ้าไฟลุกโผลงอยู่ต่อหน้าท่านท่านรู้ได้ไหมว่า ไฟนี lands, an, nossa, 2, ้กำลังลุกโรลงต่อหน้าเราข้าแต่ท่านพระโคดมถ้าไฟลุกโรงต่อหน้าข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็รู้ได้ว่าไฟนี้ลุกโรลงอยู่ต่อหน้าข้าพระองค์ถ้าใครๆจะพึงถามท่านอย่างนี้ว่าไฟที่ลุกโรลงอยู่ต่อหน้าท่านนี้อาศัยอะไรจึงลุกโรลงท่านถูกถามอย่างนี้แล้วจะพึงตอบอย่างไรถ้าใครๆถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่า ไฟที่ลุกโผล่อยู่ต่อหน้าท่านนี้อาศัยอะไรจึงลุกโผล่ข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้วก็จะตอบอย่างนี้ว่าไฟที่ลุกโผล่อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์นี้อาศัยเชื้อคือหญ้าและไม้จึงลุกโพล่ท่านพระโคดมถ้าไฟนั้นจะพึงดับไปต่อหน้าท่านท่านรู้ได้ไหมว่าไฟนี้ดับไปต่อหน้าท่านแล้วถ้าไฟนั้นจะพึงดับไปต่อหน้าข้าพระองค์ าพระองค์ก็รู้ได้ว่าไฟนี้ดับไปต่อหน้าข้าพระองค์แล้วท่านพระโคโดมวัดชะถ้าใครๆจะพึงถามท่านว่าไฟที่ดับไปแล้วต่อหน้าท่านนั้นดับจากทิศนี้แล้วไปยังทิศไหนคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้หรือทิศเหนือถ้าท่านถูกถามอย่างนี้แล้วจะพึงตอบอย่างไรข้าแต่ท่านพระโคโดมไม่ควรถามเช่นนั้น เพราะไฟอาศัยเชื้อคือหญ้าและไม้จึงลุกโผลงแต่เพราะเชื้อนั้นถูกไฟเผาหมดไหม้และเพราะไม่มีของอื่นเป็นเชื้อไฟนั้นจึงนับได้ว่าไม่มีเชื้อดับสนิทแล้ววัชชะอย่างนั้นเหมือนกันบุคคลเมื่อบัญญัติถาคตพึงบัญญัติด้วยรูปใดรูปนั้นตถาคตละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ตถาคตพ้นแล้วจากการเรียกว่ารูปมีคุณอันลึกล้ําอันใครใคประมาณไม่ได้ยังถึงได้ยากเปรียบเหมือนมหาสมุทรคําว่าเกิดนํามาใช้ไม่ได้คําว่าไม่เกิดนํามาใช้ไม่ได้คําว่าเกิดและไม่เกิดนํามาใช้ไม่ได้คําว่าจะว่าเกิดอีกก็มิใช่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 ตถาคตพ้นแล้วจากการเรียกว่าสังขารมีคุณอันลึกล้ำอันใครใคประมาณไม่ได้อย่างถึงได้ยากเปรียบเหมือนมหาสมุทรคำว่าเกิดนำมาใช้ไม่ได้คำว่าไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้คำว่าเกิดและไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้คำว่าจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่ามิเกิดอีกก็มิใช่ก็นามาใช้ไม่ได้บุคคลเมื่อบัญญัติตถาคต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 คำว่าไม่เกิดนามาใช้ไม่ได้คาว่าเกิดและไม่เกิดนํามาใช้ไม่ได้คำว่าจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ก็นํามาใช้ไม่ได้วัจโจปริภาชค ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ววัชโคดปริภาชคด้วยกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมต้นสาละใหญ่ในที่ใกล้บ้านหรือนิคมกิ่งใบเปลือกสเก็ดและกระพี้ของต้นสาละใหญ่นั้นจะหลุดร่วงกระเทาะไปเพราะเป็นของไม่เที่ยง สมัยต่อมาต้นสาละใหญ่นั้นก็ไร้กิ่งใบเปลือกสเก็ตและกระพี้คงอยู่แต่แก่นล้วนๆแม้ฉันใดปาพจน์ของท่านพระโคโดมข้อชันนั้นเหมือนกันปราศจากกิ่งใบเปลือกสเก็ตและกระพี้คงอยู่แต่คําอันเป็นแก่นล้วนๆข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาสิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดม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 ขอท่านพระโคโดมจงทรงจำค่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แลอคิวัชโคตสูตรที่สองจบ